บทที่เจ็ในเรื่องนั้นวิจิกิจจาเป็นไฉนคือปุถุชนเคลือบแคลงสงสัยในพระศาสดาย่อมเคลือบแคลงสงสัยในพระธรรมย่อมเคลือบแคลงสงสัยในพระสงฆ์ย่อมเคลือบแคลงสงสัยในสิกขาย่อมเคลือบแคลงสงสัยในส่วนอดีทย่อมเคลือบแคลงสงสัยในส่วนอนาคตย่อมเคลือบแคลงสงสัยในส่วนอดีตและส่วนอนาคต ย่อมเคลือบแคลงสงสัยในสภาวธรรมที่เป็นปัจจัยของการและการและอิงอาศัยการและการเกิดขึ้นคำว่าตัทันตะรังระหว่างแห่งจุติและปฏิสนธิเหล่านั้นความหมายว่าระหว่างแห่งจุติและปฏิสนธิเหล่านั้นเป็นระยะการปัจจุบันซึ่งได้ชื่อว่าปุพันตาปรันโตส่วนอดีต และส่วนอนาคตในพระบาลีว่าปุพันตาปรันเตกังคติย่อมเคลือบแคลงในส่วนอดีตและส่วนอนาคตปุพันตาปรันเตอัญญานังความไม่รู้ในส่วนอดีตและส่วนอนาคตเพราะอยู่ท่ามกลางส่วนอดีตและส่วนอนาคตหรือเป็นผู้สงสัยภายในตนในปัจจุบันการในบัดนี้ ผู้มีอายุแต่เราย่อมบัญญัติโลกเหตุเกิดของโลกความดับของโลกและปฏิปทาให้ถึงความดับของโลกในอัตภาพอันมีประมาณวาหนึ่งมีสัญญาและมีใจนี้เท่านั้นอนุนด้วยเหตุนี้แลกรรมจึงชื่อว่าเป็นไรนาวิญญาณชื่อว่าเป็นเมล็ดพืชตัณหาชื่อว่าเป็นความชุ่มชื้น นิมิตแห่งการอุบัติย่อมเกิดปรากฏแกสัตว์เหล่านั้นตราบที่ยังไม่ได้บรรลุอรหัตผลอย่างนี้ว่าลำดับแรกนรกย่อมมีด้วยการปรากฏมีไฟนรกและหม้อโลหะเป็นต้นแกผู้จุติจากภพนั้นๆแล้วจะไปเกิดในนรกท้องมารดาย่อมมีแกพูดถึงความเป็นผู้นอนในคันมารดาเทวโลก ย่อมมีด้วยอาการปรากฏมีต้นกาลประพฤกและวิมานเป็นต้นแก่ผู้ที่จะไปเกิดในหมูเทพโดยประการดังนี้ความไม่พ้นไปจากพบด้วยความปรากฏนิมิตของปฏิสนธินี้แก่สัตว์เหล่านั้นชื่อว่าความถึงพร้อมแห่งอารมณ์ที่มาปรากฏสัตว์ทั้งปวงตราบที่ยังไม่ได้บรรลุอรหัตผล ย่อมได้ชื่อว่าพูดถึงพร้อมด้วยกรรมโดยหมายถึงกรรมที่ควรให้วิบากอันตนสั่งสมไว้ในการก่อนข้อนี้ชื่อว่ากรรมมาสมังคิตาวิปากะสมังคิตาวิปากกัคะเนยวะเวทิตัพาพึงทราบความถึงพร้อมแห่งวิบากในขณะให้วิบากเท่านั้น โลกถูกจิตนําไปถูกจิตผลักสายไปจิตเป็นธรรมอย่างหนึ่งที่โลกทั้งหมดตกอยู่ในอํานาจโสตวิญญาณย่อมเกิดขึ้นอาศัยโสตประสาทและเสียงการประชุมของธรรมทั้งสามเป็นผัสสะคําว่าอุเบกขาฮีนาอุเบกขามีลักษณะที่สามหมายความว่าแม้เป็นอุเบกขาก็มีลักษณะ สามนั่นเทียวเพราะมีสภาวะเป็นทุกข์เนื่องจากเป็นวิบากของอกุศลอันสามโดยแท้ฉะนั้นจึงกล่าวว่าทุกขังวิยะนาติติขิตนาไม่แรงกล้านักเหมือนทุกข์ทุกข์เป็นของแรงกล้านักคือเผ็ดร้อนฉันใดอุเบกขานี้มิใช่เป็นอย่างนั้นแต่ย่อมเป็นไปโดยสภาวะเป็นทุกข์เพราะ วิบากของอากุศลเป็นสุขไม่ได้อันหนึ่งพึงทราบความเป็นอุเบกขาของจิตนั้นว่าเหมือนการวางเฉยในการเบียดเบียนที่คนมีกำลังนั้นกระทาของบุรุษผู้อ่อนแอซึ่งถูกคนมีกำลังเบียดเบียนก็ไม่อาจต่อต้านได้ส่วนอุเบกขาที่เป็นผลของอากุศลพึงนับเข้าในทุกเพราะเป็นสิ่งที่ไม่น่าปรารถนา ส่วนอุเบกขานอกจากนี้พึงนับเข้าในสุขเพราะเป็นสิ่งที่น่าปรารถนาดังนั้นจึงกล่าวได้ว่าอุเบกขานั้นเป็นอุปนิสัยปัจจัยเหมือนทุกและสุขคานวิญญาณย่อมเกิดขึ้นอาศัยคานะประสาทและกลิ่นการประชุมของธรรมทั้งสามเป็นผัสสะ ชิวหาวิญญาณย่อมเกิดขึ้นอาศัยชิวหาประสาทและรสการประชุมของธรรมทั้งสามเป็นผัสสะกายวิญญาณย่อมเกิดขึ้นอาศัยกายประสาทและการกระทบการประชุมของธรรมทั้งสามเป็นผัสสะเพราะผัสสะเป็นปัจจัยจึงมีเวทนารูปเสียงกลิ่นรส และโภทพพะกล่าวคือภูตรูปสามอย่างยกเว้นอโปธาต์ชื่อว่าโคจรรูปรูปที่เป็นอารมณ์ของจิตกับเจตสิกปัทวีธาต์อันน้ำยึดไว้อันไฟตามรักษาไว้อันลมพยุงไว้เป็นปัจจัยที่ตั้งอาศัยของมหาพูดทั้งสาม คำว่าครุกังแปลว่าหนักคำว่าละหุกังเบาหมายความว่าไม่หนักหรือเป็นสภาวะเบาแม้ในพระสูตรปายาสิราชัญญสูตรเมื่อใดกายนี้ยังประกอบด้วยอายุรูปชีวิตตินซีและนามชีวิตตินซียังประกอบด้วยไออุ่นกรรมมชะเตโช ยังประกอบด้วยวิญญาณเมื่อนั้นกายนี้ก็เบากว่าอ่อนกว่าควรแก่การงานกว่าท่านพระกุมารกสะ ป, ปะก็ระบุถึงปฐวีธาตุที่เบาและอ่อนเท่านั้นในคืนนั้นพระเถระท่านหนึ่งกล่าวว่าข้าแต่ท่านผู้เจริญดอกไม้ห้าสีปรากฏแก่กระผมอยู่บนสีหาสนะในลานพระเจดี นบัดนี้อีกท่านกล่าวกับพระเทระนั้นว่าอาวุโสท่านพูดถึงสิ่งไม่น่าอัศจรรย์ก็บัดนี้เต่าและปลาทั้งหลายในสถานที่หนึ่งโยอในมหาสมุทรปรากฏอยู่แก่ผมบางท่านที่มีบารมีเต็มเปี่ยมแล้วอาจบรรลุธรรมด้วยการนึกคิดตรึกตรองได้โดยสามารถรู้เห็นความเกิดดับของจิตที่นึกคิดอยู่ ตัวอย่างเช่นเมื่อพระพุทธศาสนายังไม่อุบัติในโลกมีเศรษฐีคนหนึ่งที่เมืองพาราณสียืนดูคนสัญจรไปมาอยู่เขาได้พบสามีภรรยาคู่หนึ่งเดินผ่านมาครั้นเห็นความงามของหญิงนางนั้นแล้วก็เกิดความพอใจทำให้ขาดสติชั่วขณนะแต่เมื่อรู้ว่าได้เกิดอกุศลละจิตคิดปรารถนาต่อภรรยาผู้อื่น จึงเกิดความสลดใจเขาเจริญวิปัสสนากำหนดรู้จิตที่ประกอบด้วยความพอใจนั้นทำให้เกิดปัญญารู้แจ้งความเกิดดับของจิตแล้วบรรลุวิปัสนาญาณขั้นต่างๆจนกระทั่งบรรลุเป็นพระปัจเจกพุทธเจ้าในที่สุดมโนวิญญาณย่อมเกิดขึ้นอาศัยจิตและธรรมรมการประชุมของธรรมทั้งสามเป็นผัสสะ คำว่ามโนวิญญาณังความหมายว่าชาวนาจิตรพร้อมทั้งอาวชนะจิตย่อมเกิดขึ้นอันหนึ่งข้างในหัวใจนั้นมีแองขนาดที่มเมล็ดบุญนาคตั้งอยู่ได้เป็นที่ขังอยู่แห่งโลหิตประมาณกึ่งซองมือที่มโนธาตุและมะโนวิญญาณธาตุอาศัยเป็นไป มโนธาตุและมโนวิญญาณธาตุย่อเป็นไปอาศัยรูปใดรูปนั้นเป็นปัจจัยแก่มโนธาตุมโนวิญญาณธาตุและธรรมที่ประกอบร่วมกับมโนธาตุและมโนวิญญาณธาตุเหล่านั้นโดยความเป็นนิสยาปัจจัยมีข้อความในปรมชาฉาสูตรว่าทัตตปิภัสสะปัจจยา แม้ความเห็นนั้นย่อมมีได้เพราะภาษะเป็นปัจจัยส่วนอุเบกขาเป็นเวทนาที่แสดงให้เห็นได้ยากไม่ปรากฏชัดเหมือนความมืดอุเบกขานั้นปรากฏแก่ผู้เข้าใจตามในที่รู้โดยอ้อมว่าอุเบกขามีลักษณะเป็นกลางด้วยการสละความพอใจและไม่พอใจเมื่อสุขและทุกข์หมดไป ถามว่าเปรียบเหมือนอะไรตอบว่าเปรียบเหมือนนายปราเนื้อตามรอยเนื้อที่กระโดดขึ้นหินดาดในระหว่างทางแล้วหนีไปเห็นรอยเท้าฟาคนี้และฟาคน้นของหินดาดแม้เมื่อไม่เห็นรอยเท้าตรงกลางก็รู้ได้โดยในว่าเนื้อขึ้นทางฟากนี้และไปลงทางฟาคน้นคงจะโดดไปทางส่วนนี้ ที่หินดาดตรงกลางฉันใดความเกิดขึ้นแห่งสุขเวทนาก็ฉันนั้นจะปรากฏเหมือนรอยเท้าของเนื้อที่ปรากฏในที่ขึ้นไปความเกิดขึ้นแห่งทุกขเวทนาจะปรากฏเหมือนรอยเท้าของเนื้อที่ปรากฏในที่ลงไปอุเบกาย่อมปรากฏแก่ผู้เข้าใจตามในว่าอุเบกขามีลักษณะเป็นกลาง ด้วยการสละความพอใจและไม่พอใจเมื่อสุขและทุกข์หมดไปเหมือนความเข้าใจตามไนว่าเนื้อขึ้นฟากนี้ลงฟากโน้นแล้วผ่านไปตรงกลางนั่นเองมโนวิญญาณย่อมเกิดขึ้นอาศัยจิตและธรรมรมการประชุมของธรรมทั้งสามเป็นผัสสะเพราะผัสสะเป็นปัจจัยจึงมีเวทนา ส่วนอุเบกขาที่เป็นผลของอกุศลพึงนับเข้าในทุกเพราะเป็นสิ่งที่ไม่น่าปรารถนาส่วนอุเบกขานอกจากนี้พึงนับเข้าในสุขเพราะเป็นสิ่งที่น่าปรารถนาดังนั้นจึงกล่าวได้ว่าอุเบกขานั้นเป็นอุปนิสยปัจเหมือนทุกและสุขดูกระมานบปฏิปทาที่เป็นไปเพื่อความมีโรคมากนี้ คือเป็นผู้มีปกติเบียดเบียนสัตว์ด้วยฝ่ามือก้อนดินท่อนไม้หรือสัตรา